การฟังแบบหนึ่งท่านฟังแล้วเก็บเอาเรื่องนั้นอันนี้มาคิดแล้วเลยเป็นกุมทุกข์โบได้แก้ไขตัวเองมาเป็นกุมทุกข์ซื้อๆ น, นั่นเป็นทางการฟังแตะนั่งการปฏิบัติท ร, ร ม, มานั้นมีอยู่หลายอย่างเช่นผมเคยทามาพุตโฟนั่งขัดสมาธิหลับตาตั้งตัวตรง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 เมื่อแก้ตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาครอบครัวได้แก้ปัญหาสังคมได้อย่างพระทรงองค์เนรก็คือการแก้ปัญหาตัวเองแล้วก็จะแก้พวกมู่แก้พวกมูลว่าสำคัญครับสําคัญแก้ตัวเองเมื่อตัวเองแก้ตัวเองบ่ได้จะไปแก้พวกมูลนั้นบ่ได้แต่แทนเรื่องเพราะมันเก็บเอาเรื่องของมู่มาแบกมันเขาเรื่องขาจาวคนแบกโลกอลยยิ่งแบกก็ยิ่งหนั ก, ก เมื่อมีคนพักว่าอย่าแบกมันหนักมันเกิดว่าตัวกูของกูนะคระเจะรอให้ฟังขยับเข้าขยับเข้าคนที่สุดโลกทับโลกโลกในทับหัวตายโลกทับดักวีวาเลยต า, ยตายตายเพราะแบกโลภแบกโล ก, โลกบ่ม่ใช่ไปแบกให้มันหนักอย่างที่แบกดินหรือแบกต้นไม้แบกอะไรต่างๆบนเปนแบกแบกผมคิด ผมคิดคนเมา อ, อยู่แต่เก็บมาแบกทั้งเมื่อนก็คือคนแบกโลกบดีผิดทุกนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แก่เราพอได้ได้ยินเสียงเรื่องอะไรต่างๆเราสลัดเท่งสลัดเท่งบอออกมาแบกบ อ, อามาคิดแต่เราต้องรู้จักว่าเราทําดีหรือเราทําตั่วเราทําทิดหรือเราทําถูกอันนี้ที่เป็นการปฏิบัติธรรม ถ้าเราทำดีแล้วคนอื่นว่าซัวมันไม่ได้ซัวอยู่กับคำพูดตรงนี้ซัวอยู่กับตัวเขามัานนี่ถ้าเขาทำซั่วแล้วคนอื่นว่าดีมันไม่ได้ดีอยู่กับคำวา่ามันดีอยู่กับตัวเขาดังนั้นเพื่อจะว่าให้แก้ตัวเขาก่อนเรื่องคำพูดนั้นโบนสำคัญเมื่อแก้ตัวเขาแล้วมันสบายแล้วตัวเขาเพื่ออยังให้รู้จักว่าแก้ตัวเขาเป็นวิธีปฏิบัติธรรมะมันหลายเรื่องครับ วิเทเดินไปเดินมาเดินเบาๆอย่าไปเดินแรงถ้าอยู่ร่วมกันคุติเดียวกันสองคนนอนตื่นทําตัวเบาๆอย่าให้คนอื่นรู้สึกตัวถ้าเราที่โบอยากปุกจยากคนกันออกมาเบาๆเปิดประตูเบาๆล้างหน้าเบาๆหากที่เธอน้ํำลายในี่ยทำเบาๆทั้งนั้นคําว่าเบาๆในโมเมนต์เบาในเฮ็ดค่อยๆบอให้ผู้บอให้มู้หูจักให้มาเดไป ถ้าเราจะลุกถ้าเราโบลุกล้วก็นอนอยู่ในอันเดียวกันนั่งนั่งอยู่ในกุฏิล้วนั่งอยู่ในมุงก็ได้วิธีนั่งหลายนอนนอนกุฏินังเดียวกันถ้านอนกุฏิผู้เดียวไปนีกวลุกออกมาะยะพยายามพยายมเป็นลุกขวนมู่นอนตื้นเดึกนอนตื่นเดึกอย่างน้อยก็ต้องตีสองตีสามเนี่ยผมปฏิบัติผมนอนตื้นอยา่างไรฝึกหัดเลยครับการปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกหัด ฝึกหัดตัวเองทดลองเบิ้งมันฝึกได้บอสเมื่อเราฝึกหัดตัวเองได้กดอื่นก็ต้องฝึกได้เมื่อเราฝึกหัดตัวเองบอัวได้จะเป็นฝึกหมูนฝึกบัว ไ, ได้แต้แค่เรื่องมูนดังนั้นการปฏิบัติธรรมะนอนให้มันเต็มทีนอนมากๆคําว่านอนมากว่าไม่นอน ท, นทนั้งวันทั้งคืนเนี่ยครับกลางวันก็นอนกลางคืนก็นอนบัวแมนคำว่ า, วานอนมากเนี่เราปกติทำวัด เด่นหรือธรรมเศร้าเราเพียงมาฟังฟังแล้วออกกลับไปทำธุระพอได้ยักนอนนอนหลดพิธีพูดเส น, กกนากรตั้มสร้างคนอื่นนะ่ะเราต้องนอนเต็มทีเลยนอนนั่นคือวันนอนให้มันหลับไปหลดนอนหลับคนนิ่งจะอาจจะโบคือกันกระได้และจีคือกันก็นได้ร ค, ครับนอนแล้วมันหลับไปเลยหลับไปอย่างสนิทครับหลับว่ฟันว่ยังสบายไปพอดีนอนตื่นขึ้นมาปุ๊บ อมืมันตื้นขึ้นมาแล้วมันลุกโหลดโมลุกเก็พยายามทำกลมเพียงอยู่ไหนมุ้งไหนบอลท่านา น, อ น, นอนทําก็ได้นั่งทําก็ได้ถ้าฝึกหัดดีบัด น, นี้เราฝึกหัดอย่างสัน้นถ้าถ้าเราฝึกหัดอย่างสัน้นและบัด น, นี้นอนไปเราจึงรู้จักแบบนอนหลับเต็มที่แล้วบ้านมันจะตื้นมันต้องมีมีการเพชไหวในตัวคลมเพี้คุณครับ มันคิดฝันบุเรื่องมานคิเป็นนะครับแล้วก็สังเกตตัวเองครับนี่มันเป็นเป็นวิธีสอนเขาทั้งนั้นเรื่องบนนี้ครับบุแม่จีนเปนทีมาทําให้เขาบุแม่จีนเป็นเทวดามาทําให้เขาผลที่สุด พ, พระพุทธเจ้าเองก็ทําให้เขาบไดาเรื่องอันนี้เราต้องทําเองครับเราต้องฝึกหัด ต, ตัวเราเองลองเบิร์นระยะเตื้นออกมาแล้วถ้าหักมู่มาทําวัดเขาก็ทันมู่ ทอดหัวฝึกหัดมาเลยนีย่บางคนนอนตื้นใส่สายคำว่าใส่สายในบ้านผมเรียกว่าสวยๆนอนตื้นสวยให้เป็นโยมกรบโทถันหมูงที่ไปทำมาหากินกรบโทถันหมูงอันนี้พอเราให้ฝังนอนตื้นดึกไปท้าอุจจาระกัไปไกลๆครับบบได้ไกลๆคือนอนตื้นสวยแล้ววันนี้กี่ไปท้าอุจจาระปัสสาวะมันคนหลายไหครับไปกล ๆ, ๆคนไปไกลแล้วคนเห็นเนี่ยไกลๆครับ เป็นวางกันพอเราให้ฟักแต่ไม่อย่างน้อยท่านสอนท่านสอนเล่นๆห น, นอกแต่มันเป็นความจริงครับการไปทํามาหา ก, กินก็เหมือนกันถ้าเฮาตื้นสวยแล้วของดีอันใดข้าเจ้าที่เอาไปซื้อไปขายเขาเจ้าไปขายหมดแล้วห่อในบริษัทถ้าเฮาตื้นเด็กมันเสียมันยกไกล้เฮาไปซื้อเอาก้อนเป็นอนะนไร ก, กันแต่ไก่เราก็ไปเอาแล้วของมันบ่ม่เป็นจะเอาแล้วเฮาเอามาแล้วอันนี้เป็นวาง มันมีฟองคากลับกันครับให้ทํำย่างตัวกาแต่เปนวันนะแต่อย่าเอาตัวย่า ง, งของกาเลยพอราให้ฟังกามันตื้นเดึกมันหากินมันกินหลายแล้วมันขี้ลักกานี่ยรักกินหมกก็แดกคนไปให้ไปมาลักกินห่อเข้าคนเป็นไปให้ไปนาบ้านคนกินนะครับแต่มันตื้นเดึกหากินเก่งแต่มันกินแกงแล้วลักอีกไปด้วย แล้วให้เอาตัวอย่างของกาคือเติ้นเดือย่าตไปเอาตัวอย่างของกาคือลักกินกระพองดูบนเป็นแนวอันนี้พอผมเราให้ฟังอันนี้แล้วทำย่างกาแค่ญาติอาเอาตัวอย่างของกาเฮากระตุกันเติ้นเดืกตื้นเดืกหล่อนคอยลางหน้าลา่ า, ลางตาทำธุระของเฮาเนนก็ะทำได้พาคกระทำได้ญาติโยกระทำได้แม่ขาวแม่ดำทำได้ทั้งนั้นถ้าหากที่ทำ ถ้าบวทํากาบวชเป็นยังซิ่งเราเนี้ยเมันบวผิดกฎหมายบวชไม่คนจับเข้าไปใส่กุกใส่ตารางมิยังถ้าระยักฝุดตัวเฮาต้องก็ต้องฝึกเท่านั้นเองผมบวชไม่ทุรไี่ไปแบกอันนั้นท่นนั่งซีผมบอกเอาโมแดลอย่างนั้นอย่างนี้ผมเพียงจะเป็นผู้แนะนําสอนซื้อเล่าสู้ฟังให้มาติดไปซิ่งที่ผมเคยทํามาอย่างไรผมเล่าสู้ฟังอย่างนั้นผมเคยเล่าให้ฝังผมไปปฏิบัติธรรมมา เรื่องผมจะเอามาเว้าสูโมูฟังเนี่ผมนอนประมาณจากสองโมงสามโมงเท่านั้นละครแล้ว <c oughs> ติ่นมาตีหนึ่งตีสองลุกทำผมเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วผมมารู้สึกตัวเกิดมีความคิดมีสติปัญญาพอที่จะรักษาตัวผมได้ประมาณตีห้าตีห้าผมรู้สึกตัวผม เนี่ยว่าผมรู้พอสมควรให้ว่าได้ปหรักษาตัวเราได้มาทันคิดในใจตัวเองแลียกกระทุกคนถ้าหักฝุดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ต้องรู้อย่างนี้ทั้งหมดทุกขนบุยกเวรผมยังเปียบไ้เม็ดข้าวเป็นข้าวเปลือกข้าวเจ้ากับซางข้าวเหนี่ยกวกับตามถ้าเอาไปลงไส้ดินที่ซุ้มที่เย็นงอกทุกหน็ดกันเป็น ข, ข้าวรียบข้าวบวมีในข้าวเจ้ากับซางข้าวเหนียกวกัาตาม เอาไปใส่ที่สุ้มที่เกล็นเปื่อยเน่าทิ่มซื่บอบ่งออกมันบ่มีไหนผมว่ า, าคำคำนี้ว่ากับหมายถึงเราเว้าแล้วบ่จจำจำดรอจําเอาไปคิดอย่างอื่นบ่มมาปฏิบัติเมื่ออามาปฏิบตัออาาบตินั่นกับหมายถึงไม่เข้าตื้มคันบ่อมมาปฏิบัติก็เป็นไม่เข้าเล็ครับมันเป็นคําสมมุติที่เอามาเล่าสู่ฟังเท่านั้นซื่อพอเดทลุกออกมาอย่างนั้นนะประมาณ หกโมงนี่แหละครับหกโมงนี่ผมเกิดความคิดเกิดความรู้รู้ไปร้อยอันพันย่างรู้ออกจากนอกตัวไปได้บนี้รู้นอกตัวไปแล้วก็รู้เรื่องโลกเลยบนี้ครับรู้ไปถึงใต้น้ําใต้ดินไป ห, ห, หูจักอะไรมันคิดไปลืมมัดสิ่งหนึ่ะรู้แล้วมั น, นลืมรู้แล้วมันลืม ม, ล ม, ม, ล ม, มีแต่พูดให้ผีฟังพูดให้เทวดาฟังอันพูดให้ผีฟังกำไมายถึงว่าแสดงธรรมะให้ผีฟังมัน แสดงธรรมะให้เทวดาฟังนั่งอย่างนั้นยืนอย่างนี่มันคิดไปเองครับแล้วพีกระโบยเห็นเทวดากระโบยเห็นความจริงนะพีคือทําซัวพูดซัวคิดซัวเทวดาคือคนทําดีพูดดีคิดดีมันอยู่นี่รู้แล้วได้ครับมันหักลืมไปบ้านเมื่อกี้เป็นมันลืมมันนั้นมันก็เข้าไปในความคิดมัเจนตกเย็นพี่นะครับไปอาบนา้ำไปอาบน้ำ ม, มือนแรงมาย่างไปย่างมา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 บุญของคิดพอดีมันรู้อันนี้รู้ไปให้ว่ารู้ให้หมดนั่นนะครับเรื่องสมมติเนี่ยผมรู้หมดมันเลยบุ่ยเห็นความคิดมันรู้ได้เนนี้ยบุซ่บุเซ่เห็นความคิดได้มันรู้ซื่อได้อเนี้รู้เรื่องนี้มันกันเลยเหมดเหมือดทุกแบบไห้ทีไหว้เทวดาเสื้อเลือกงามยามดีเนี่ยผมมดแท้ๆไม่สงสัยเรื่องพวกนี้มันรู้อันแต่มันบุ่เห็นความคิดมันเป็นปัญญาอันนึง เรื่องซิ่งเศษติดมือเมาเนี่ยผมเลิกได้ทันทีผมรู้ได้ครับข่าวนั้นผมติดบุรี่หนักครับสูบบุรีในมือจะแดงนะครับสูบบุรีอยากกระปองคนสูบบุรี่ไปที่ใดใกล้ๆกับ่ารฟางถ้าผมบม่ได้สูบบุรีเดี๋วผมเอาดังสูบออกมันก็มีแหงครับมันติดเลยครับตอนนั้นมันเป็นพอเรารู้เรื่องนี้เราเลิกมือ น, นั้นเลยบุรี่อยู่หกครั้งนี่ครับอ้าวมึงสูบมึงดูสิสูบบุลี ขันโมลุญญาให้จับจับเอามาบังด้วยสัญญาอาปากนีอาโบได้ผมทำตัวของผมบังมัดทุกอย่างตลอดเอามาใส่ปากแล้วเอาสุปบังด้วยซุปโบได้บ่มีไฟเอาจุดไฟเข้ามาบังด้วยซุปโบได้ขันยโอนุญญาให้สุบผมเป็นมันรู้อันนี้ครับมันเตรียมเพียงแค่รู้อันนี้โบได้เห็นผมคิดก็เลิกได้ทันทีเลยอ๋อบ้านไดมันเรื่องบางที่มันเป็นเรื่องที่ผมรู้อย่างสัตผมจึงนํามาเล่าสโซมูฝัง ตกเย็นที่ไปอาบน้ามาคล้ายๆคือมันมีคนผักค้างนดันค้างวูบหนึ่งครังที่แล้วผมซอกหาคนเอ๊ะมีอย่างมาผักค้างมาซุกค้างแล้วนี่งั้นเมื่อเห็นมีอย่างผมคิดเลงว่าเป็นตัวว่าเป็นโตครับครั้งที่นีครั้งที่สอนมารู้สึกตัวโอ้ผมคิดแล้วครับมันคิดมาจากสายหาบัวเห็นเลยเมื่อกี้เห็นเป็นตัวเป็นโตจะได้ผมคิดไงครั้งที่สามเนี่ยผมรู้เลยครับอ๋อ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 มันพุกเพราะตัวนี้พี่เด้เมื่อเห็นเรื่องรูปนามนั่นได้โอ้มันเป็นส ม, มุธานเป็นพื้นๆบัดมารู้ตัวนี้แล้วโอมันแก้ถูกแก้ตัวนี้พี่แก้ตัวคิดพีพอดีมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บคิดปุ๊บเห็นปับ๊บมันเป็นอย่างนั้นพนันว่าว้เรื่องขนแบกโลกวันเมื่อกี้นี่ขนแบกโลกมันยิ่งแบกก็ยิ่งหนักเมื่อมีคนทักตัวกูขอ ง, ก, ของกูขยับเข้าไปมู่เป๋ห้ามว่ายาแบกมันนักโลกเนี่ย มันเป็นตัวผู้ของกูแบกกันหนะเข้าไปนี่เนี่ยก็คอย่าทึกทักว่าเฮาพู้ธรรมะเฮาผู้ในน้อยอยาทึกทักเอาเองว่าอู้รู้แล้วธรรมะเนียงอันนั้นรู้อยู่ครับแต่มันแก้ทุกบ์ได้ให้เขาพยายามปฏิบัติตัวเฮาให้มันแก้ได้จริงจริงๆถ้าแก้บม่ได้มันลําบากมันทุกข์โอมทุกข์โอมไม่ทุกขอื่นเฮ็ดให้เฮาเฮ็ดเอาผู้เดียวเฮาเฮาสร้างเอาผู้เดียวเฮาเฮายุดแล้วก็แล้ ว, ลวไป ถ้าเขาพอหยุดยิ่งทําเข้าไปเขายิ่งทุกข์เข้าไปเป็นอันนี้มู่ได้ที่เขามาประชุมกัน ท, ทั้งธรรมะเต้าทําวมะเจนผู้ได้ว่าวตั้งไต่หอนหลับฟังแต่อยา่าไปแบกคันผู้ได้ว่าวที่ได้เลิกกลิ่นมาแบกเขาเมื่โอ้เต็มที่แล้วอย่างที่ผมว่าให้ฟังเมื่อเต้าวานีครับบาทอยู่ในแขงบนอื่นโบ๊บ๊ะสำคัญเท่าใดครับอันนี้พอเราให้ฟังเต็มเมไป อ, อย่างน้อย การเป็นบาดเป็นหน้าแคงเนี่ยเขายางไปให้ไปนาไปแต่เสาใบหญ้ามันผ่านมันทูกน้าแคงให้คิดว่าบดอื่นมันบุอยากไปถูกใบไม้หรือใบหญ้ามันอยากไปทูกแต่บนบาด ท, ท่านนะครับอันนี้ให้เข้าใจว่าเราไปเก็บเอาเก็เป็นเรื่องอื่นมาคิดบาดอยู่หน้าแคงเขาเนี่ยเขาต้องแก้ตัวเขาพิชอย่าไปแก้ผู้อืน่เอนเขาพูดีบนไดขอยบงตัวโอว้ดีแล้วถึงเฉยได้เขาดีบนไดท่านเขาเฉยได้ อันนี้ใครผู้ใดว่าวยืน่นจะได้เก็บมากูผิดอันนั้นกูเฮ็ดอันนี้กูดีแล้วมู้ยังว่าอันนั้นลราแบกแล้วน่นะเราคนแบกโลกเราดีแล้วจะไปเก็บมาคิดทำไมเราซัวแล้วต้องแก้ท่านเองที่ผมว่านใะบไม้มันต่อแต่บา ท, ทมันถุงไปบาทท่านท่านวาอย่างนี้บุรู้จักผมนี่มาเปี๊ยบเทียบอีแบกหนึ่งวานเหมือนกับเสี้ยงกับน้ำมันต่ําเขาบ้านผมนี่ว่ามันปักมันใส้หนองมันเป็นหนอง มันเจ็บแต่ความจริงเขาอยากเอาเสี้ยนเอาหนามนั้นออกแล้วไปหามือเอาเข็มมาต่อไปลายหนามฮัลว์จเจ็บเจ็บว่าสิคนที่สุดเอาออกบัได้บางคนมันเจ็บหลายเลยบัวให้หมือออกเสี้นหนามก็เลยปักอยู่ท่นตลอดเวลาบางคนผู้สลัดบัวเจ็บคนผู้ที่เมาออกให้เขาเออบนท่านหนะเออต่อบนท่า น, น่ะเนี่ยเูจาจักเจ้าของมันเสี้ยนปักเจ้าของกี่เนส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 การทำงานไม่อันเดียวกันน้ครับบ้านผมเรียกว่าทำการทำงานอะไรเฮ็ดอันนั้นเฮ็ุอันนี้เฮ็ดนั่นก็ทำนั่นแหละครับทำอันนั้นทำอันนี้บ้านผมเรียกว่าเห็ุอันนั้นเหตุอันนี้ทางบ้านอื่นเหมือนอื่นว่าทำอันนั้นทำอันนี้กระคำเดียวกันบ้านผมเรียกว่าเหตุมันก็เลยหายง่วงหลับง่วงหนอนนั่นไปเรากำมาดูดูตัวเราดูความคิดเรากลางคืนนอนให้มันหลับก็นนี่ หลักอย่างที่ผมวาบขันตนหลักจริงๆเนี่ยหลับจนเงินบบฝันอย่างคุณน่ะพอเดีมันฝันปุ๊บมันตื่นต้อไปมันจิเป็นอนะแต่มันจิตฝึกไปมันเป็นเองครับฉะนั้นธรรมะโบแมนที่เป็นตนเป็นโตไม่เห็นในโบแมนกระตัวคนทุกคนอะเป็นธรรมะทำดีทำั้วเาวากันเนี่ยธรรมะคือค้นอย่างวะคิดดีคิดซ้วเนี่ยมันบแต่ที่เป็นตนเป็นโตมาเห็นดวงแก้ว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 เมื่อมาเห็นความคิดคนูความคิดเข้าใจความคิดสัมผัสกับความคิดได้ดีมันนึกมันคิดอันไดก็บรู้มันก็เห็นมันก็เข้าใจสัมผัสได้โอ้เรื่องน้อยเรื่องนิดเดียวเท่านั้นเองครับแต่คนบอกเข้าใจเรื่องนี้เท่านั้นเองผมก็เลยเอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแปดมื่นสี่พันพันธมรรคพระสูตรพระวินยัยพระพิธรรมรวมคว ม, มาแล้ว อยู่ที่กายวาจาใจถ้าพูดง่ายๆเนะี่ยพูดสั้นๆดูใจนะบัดเดียวรถเดียวเรื่องดูใจเป็นเรื่องสําคัญพอดีมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บคมเลยไปเปรียบไปนักมวยขึ้นไปเวทีบ้ต้องไหว้ครูครูต่อสู้มาตกปับ๊บใส่ลุมตาโหลดใส่ลุมตาแล้วมันมืึนตาบ้ดได้มันโลมโลดครูต่อสู้อันนี้ก็คือการพอดีมันคิดปุ๊บ เห็ดมันหยุดโลดหันขึ้นไปคู่ต่อสู้บนมีว่าแต่ตัวแก้งท่นเมื่อไปถึงคู่ต่อสู้มาซกบุธขึกจักเพื่อมีแต่เขาซกเอาน็อกขัดซกเป็นคำเดียวเลครับเรานั้ลมเอาทุกครัง้งทุกครั้งไปคนที่สุดแพหันบ้านผมนี่ว่าแพ้สะนะไปว่าแพ้อันนี้แพคือถือว่ากลัว่าย่านมาแพ้บ้านผมดัง น, น, นั้นฝึกหัด ธรรมะเนี่ยฝึกหัดกับพู่ต่อสู้วัแมี้ทีไปต่อสู้คนภายนอกต่อสู้กับความคิดคนในมันคิดเออเนี่ยคิดมาแล้วเห็นรู้เข้าใจสัมผัสได้ความคิดมันทูกหยุดทันทีเมื่อความคิดมันหยุดแล้วหอกกระโบได้ถูกปรุงแล้วอันปรุงนะเพื่อนๆสังขารเป็ว่าการปรุงแต้งสังขารคือรูไกาลในอันนึงอันนี้มันเป็นส่วนนอกสังขารการปรุงแป้งกพื่อนอีกตัวหนึ่งนี่ สังารการปรุงแต่งโตคมคิดพวนี้มันปรุงแต่งมันแต่งมันปรุงให้ทุกให้สุขให้ดีให้ซัวมันเว้าอยู่คนผู้เดียวเขาบัวเห็นมันเมื่อบัวเห็นมันแล้วก็เข้าไปในความคิดอันนั้นมันเข้าไปแล้วก็ออกโมเป็นแล้วก็ทุกอยู่ตลอดเวลาเมื่อกับคนเข้าท่ำเขาทํานี่ว่าเจ้าของเห็นทําหรืบัเห็นมันอยู่ในทํานั่เลยมันมือตึ๊บอยู่นี่แล้วเขาออกนอกท่อเขาออกมานอกที่เขาเห็น เห็นปากถ้ำเหตุในท้ำเนี่ยเป็นอันนี้เขาออกมาจากข่มคิดพอเดนมันคิดออกนอกข่มคิดเลดเบึง้งวันนี้เอาตาเบึ้งเนะ๊มันเป็นตั้แต่ของมันบ่มีอัญจเว้าให้ฟังให้เอาสติก็ได้ออกปัญญาก็ได้เบิ้งข่มคิดมันคิดเห็นรู้เข้าใจข่มคิดทุกหยุดลด ท, ทันทีอันนี้เว้าให้ฟังอนนวอลให้ฟังได้จําเป็นเอินรู้จา รู้จำก็รู้จักรู้จักเพื่นว่าให้เบิ้งคิดรู้จักรู้จักรู้แจ้งว่าสิ่งเหารู้เองรู้จริงว่าสิ่งเห่ารู้เองฉะนั้นปัญวหาสันทิปีโกอันผู้รู้จัะฝืนเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบการและเวลาจะเป็นยุคใดสมัยใดก็เป็นอยู่จังสันมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุมันก็เป็นอยู่จังสัน่มื่อพระพุทธเจ้ามาตัดสรูุ้มันก็เป็นอยู่จงัจาาสจงสันขอให้แต่มีคน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 เมื่อมีคนมีปัญญาคนพบคนเห็นโบเมนปัญญาศึกษาเราเรียนจบพระใจไปดกบุบโบเมนอันนั้นเนี่ยโบเมนเทตก็เคยได้ยินแน่พระโอทิระบาลปล่าวเรียนจนจบแต่โบเคยดูผมคิดตัวเองเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเคยมาทางกรุงเทพเรียนจบปริญญาเอกได้หลายแผนทุกเกือบตายเนี่ยอันนั้นโบเมนใช่ไหมปัญญาแก้ทุก ปัญญาแก้ทุกเนบูมากนน้อยกพรามันคิดมารู้เอิญเอินรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จะเอาชนะมันได้ก็เหมือนกับนักมวยเนี่ยขึ้นในเวทีแล้วบ่วต้องไหว้ครูบ่ต้องไปซ่อกหาพระใจปิดดกมายู่สุดใดน้ออยู่หน้าใดน้อตัวอักษรมันอยู่ย่อหน้าบ่ น, น้อบ่ต้องสอบบ่ต้องไปซอบจริงๆเรื่องนี้นี่แหละยอดของบุญแท้ ยอดความควบุ่มีทุกนั่นแหละนี่บุญคือยังยศบุญคือรู้ตัวเห่านี่แล้วจีวะยังไงบุญมากที่สุดแหละเนี่ยรู้ตัวเห่ารู้จากคนคิดเห่าในบุญมากที่สุดหาบุมีอันเปรียบเลยบาปมากที่สุดคือยังเนอะบาปมากที่สุดคือคนลืมตัวนั่นแล้วคนบ่ญเห็นความคิดตัวเองนั่นแล้วไป็นยาะบาปมากยนาะมันทุกทุกกับบาปกับอันเดียวกันนั่นเนี่ยบุญได้บุญกับบมีทุกอันเดียวกันมันน้อยน้อยคำพูดจ้ะ อย่าไปซอกหัสวรรค์อยู่บนฟ้าอย่าไปซอกอนิพานอยู่บนฟ้าอย่าไปซอกมันนั่กใต้ดินก็อย่าไปซอกมันเถือะเพิ่นสอนให้เขาแก่ปัจจุบันนี่พระพุทธเจ้าเป็นสอนนี่อดีตที่ผ่านไปแล้วอย่าไปสนใจมันอนาคตที่ยังพุทันมาถึงอย่าไปสนใจมันแก่ปัจจุบันนี่เมื่อปัจจุบันเป็นอย่างใดอนาคตต้องเป็นยังไงเพรามันเคยคิดอย่างนั้นก็คิดอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้ว เมื่อเขาแก้แล้วมันหายไปได้เป็นอาาย่างไรที่นํามาลอาให้ฟังนี่เพื่อว่าปฏิบัติถ้ามันผิดแล้วอย่าอาไปปฏิบัติถ้ามันผูกแล้วก็นําไปปฏิบัติว่า ม, วปปมันแก้ไขตัวเองได้เมื่อตัวเองแก้ไขตัวเองได้แล้วก็ไปไวัดผู้อื่นฟังผู้อื่นไปที่นำไปปฏิบัติถ้าหากว่าบริยกถูก คันปฏิบัติธรรมแล้วหากินได้บอสอ้าคนมันต้องกินนะบ่หากินมันเจ๊ให้ยังไงมันก็ต้องตายสินวะปฏิบัติธรรมะแล้วนุ่งผ้าเป็นบอสอ่าบนุภงผ้าเป็นเพรเอื้นผีเหศบ้านผมเพาเอื้นผีเหศเหศเปื่อยเป็นนุ่งผ้าโบเตนมันนุ่งนุ่งเป็นนุ่งผ้าเป็นทำให้ทํานาเป็นทําหัวทําส่วนเป็นขุดเดินฟันไม่เต็นะปฏิบัติธรรมเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง แม้ที่สุดขึ้นในโลในศาลกระเป็ดมันสบายได้มาเย็ดอกเย็นใจนี่แต่แก้ปัญหาตัวเองได้นี่มันเป็นอย่างไรแล้วขึ้นไปเทศสารมีทนายมาซักมากรบโบไปแล้วมันหูจักแล้วมันช่ไปที่นี่ของบูดีของมันบูเห็ดแล้วบูเห็ดกระโบทำนั่นแหะมันบูเฮ็ดมันโบทําของบูดีมันจะทําเห็ดยัง เม่อทำแน้วเป็นอย่างนั้นดังนั้นธรรมะที่เป็นสิ่งที่จําเป็นกับชีวิตของบุคคลที่มีทุกข์ถ้าหาคคลมีทุกข์แล้วบุต้องปฏิบัติธรรมะก็ได้จะไปฟอกขากมันสิ่งที่ของบนตรมีฟอกหามันมันมีนี่นี่แหละธรรมะที่จะไปใช้กับชีวิตประจําวันเมื่อเราอาไปใช้กับชีวิตของเราได้แล้วคนอื่นคือกันเมื่ทุกคนนั่นแหละังนั้นพระกับปฏิบัติได้เนนกับปฏิบัติได้ ญาติโยมก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติได้เมื่ทุกคนถือศาสนาใด้นุ่งผ้าเสีอันใดกอดปฏิบัติใดทางนั้นโบยกเว้น อ, อเทศหลวงพ่อวาให้ฟังนี่โบแมนถือศาสนาพุทธและยังปฏิบัติได้ถือศาสนาคิดและปฏิบัติโบได้โบแมนอย่างนั้นถือศาสนาคิดและปฏิบัติได้ถือศาสนาพุทธและปฏิบัติโบได้โบแมนอย่าั้นนรกมีมัดคนถือศาสนาพุทธก็มีนรกถือศาสนาคิดก็มีนรก คือศาสนาอิสลามก็มีนรกคือศาสนาฮินดูเขาเรียกศาสนาพราหมณ์กามินาโลกคือกันมัสถ้าหากมีแต่ศาสนาพุทธเอ้าจีไปถือหัวมาให้ยังศาสนาพุทธเนี่ยก็ไปถือศาสนาคิตคุณบนบนมีนรโกคุนทีไปถือศาสนาอิสลามพุนทีถือศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูคุนทีเขาอยักไปตกนรโลกบ่ห้องกระโอยากไปตกนาโลกนะจีไปถือยังศาสนาพุทธบันณฑิขคณะมีซักมีนาโกตั้งแต่ศาสนาคิตเขาก็เท็งศาสนาคิตซะ มาถือศาสนาพุทธนะน่นก็นแล้วกันทอนนันทีิสูอนี่นะ่ะอันนี้แหละเขาบอกเข้าใจเรื่องพุท ธ, ธาศาสนาพุท ธ, ธะแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานคนว่ากันศาสน า, าไปว่าคำสอนของบุคคลที่รู้อันนอันคำสอนของบุคคลที่รู้นี่โบ้แม่นพุท ธ, ธาศาสนาเนี่ฟังให้เป็นได้บนนี้ฟังให้เพื่อผมเข้าใจคนที่รู้เรื่องไหว้ผี เอาไปไหว้ผีบนหั่นไปไหว้ผีบนนี้เนี่ยคนรู้เรื่องไหว้ผีเนี่ยว่ า, นะาศาสนาผีอศาสนาพรามเลืองามยามเสียเพาะนะบูชาฮับโซกนะเลือกงามยามดีนะ่ะอันนั้นกลายเปนว่าศาสนาพราหม์คนผู้ใดรู้เรื่องอันใดเขาเอานั่นมาสอนเรียว่าศาสนาเป็ว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รูร้เขารู้เรื่องไหว้เทวดาอเขารู้เรื่องเทวดาเขาก็สอนเรื่องเทวดา โบเมนพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างนั้นอย่าเข้าใจโบเข้าใจกระทั้งสร้างแล้วว่าให้ฝองเสื่อฮันโบโบเข้าใจแล้วก็เทียมผิดกฎหมายสันบอบโกโบผิดกฎหมายเรื่องเพศผิดกฎหมายศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้สอนเข้าหูคนฮั้นโตคนให้เป็นตัวศาสนาศาสนาจะลว่คือคนพุกพล่นโบยกเว้นพุทธศาสนาคือตัวสติตัวปัญญาเข้ามารู้ตัวสิวิจิตใจนี้ พุทธะจึงไปเอาผู้รู้ผู้ตื้นผู้บิกบานด้วยธ ร, รรมจึงว่าศาสนากับพุทธศาสนาจึงว่าแย่กันที่ตรงนี้ให้เข้าใจเรื่องการทําบุญให้ทานรักษาศีล น, นั้นมันมีมาก่อนพุทธศาสนาอันนั้นเขาเรียกว่าศาสนาพามเขาเคยได้ยินเนี่ยเจ้าสายสิทธัถุอุมานเนีเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปเซิญเอาพามาร้อยแปดคนมาทํานายทายทักดูเรืองดูยามานันรราาักศาสนาพามมีแล้ว เรื่องการให้ฐานมีแล้วตอนรอดมาเจ้าทายศิษถาคุลมานเรียกว่าเอาเนี้อวาสังกัได้หรือเป็นมหากษัตริย์ว่าสังกัได้จนได้เป็นพญาของราชสมบัติพานางส น, น, น, นมบริวารออกไปชมสวนดอกไม้ไปเห็นรูปเด็กน้อยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นไปสันน้นๆเป็นมันแล้วก็เห็นรูปสมณะเทศเ น, นี่ยการบวชก็มีมาก่อนแล้วโมเมนต์พุท ธ, ธาศาสนาอันนั้นให้สิว่าสัจจะตามฟังอย่าไปยึดไปถือ เฮาหูจักดีแล้วเฮาบุ้งต้องไปยึดไปถืออย่าไปแบกคําว่ายิ่งแแบกว่ายิ่งหนั ก, กนาอย่าไปทึกทักอาว่าเฮาหู้อันเฮาบุ้งหูจริงอันนั้นมันมีมาก่อนแล้วนั่นโบม่ธธ์พุทธศาสนาเป็นเพียงศาสนาซื่อๆอันนั้นในเรื่องสวรรค์นิพพานมันมีมาก่อนแล้วแต่บุมีผู้ใดคนพบคนวันต ล, ลอดทํากรรมฐานและสมาบัตแปะทีนะอันนี้ก็มีมาก่อนแล้วอันนั้นกับโบม่ธธ์พุทธศาสนาเป็นศาสนาพาหม ตามความเข้าใจของผมผู้อื่นจะเข้าใจแตนกระตั้างผู้ใดแล้วผมที่แรกผมก็เข้าใจว่าโอสศาสนาเนี่ยต้องมีวัดมีโบสถ์มีพระมีเน้แล้วก็มีพระพุทธรูปมีมุนีผมเข้าใจอย่างลอยเปิดเซ็น100พ่อพ่อผก็เป็นสาวพุทธแม่ก็เป็นสาวพุทธตัวผมเองเกิดมาก็เป็นสาวพุทธรุ่นเดียวอันนั้นสาวพุทธแบบสมโนหัวสาวพุทธแบบบารู เมื่อผมไปปฏิบัติทำมาในผมรู้เรื่องนี้ขึ้นมาเออนี่ตลอดมาอดข้าวอดน้ำพี่แน่ผมรู้จักหลังซีผมปฏิบัติอดข้าวอดน้ำเนี่ยบว ก, กินข้าวบว ก, กินน้ำบวกพูดบวกคุยน้ไนะน า, า, าไผ่พี่นะจนบวหายหัวใจอะไรไปกั้นหัวลมหายใจยานดวงจิตวิญญาณอะไรมาเข้าดักรู้จ่ามุกเนี่ยมันจะเป็นบา้าปนี่ผมจึงเข้าใจหลังซีบวเ ก, กี่ยวข้องกับเรื่องคือสินจินเจไปยัง ผมเข้าใจอย่างสิโอ้เรื่องปฏิบัติธรรมะนี่บอมแม้นไม่จำกัดเทวดไวยบอมแม่นจากัดว่าถือสิ่งจิ้นเจเป็นอย่างเด้อมาดูความคิดนี่เด้อถึงเข้าใจอย่างสัน้นเขาเคยได้ยินบอมพระพุทธเจ้าจะไปตัดสลูยิ้ได้ตัดสรูนะ่ะกินข้าวนางสุตตดาแล้วเอาขันนี่เอาผ้าทำมาแต่อธิษฐานริมแม่นม้ําแล้วว่าถ้าข้าพระเจ้าจะได้ตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าเรือวางขันหรือทาดใบนี้ลงไปแล้วแต่บนน้ําผิวน้ําเนี่ยให้ทาดให้ขันใบนี้ทวนกระแสของน้ําขึ้นไปถึงต้นน้ํำบนนั้นตรงกันข้ามถ้าข้าพเจ้าจีบุได้ตัดสู่จีบุได้เป็นจีบุได้เป็นพระพุทธเจ้าซูก้กิเลศบุได้ให้มันเดินไปนั่นก็วางขันหรือทาดใบนี้ลงไปแล้วให้มันไหลไปตามกระแสของน้นําน <thing ton> พอดีวางลงไปแล้วมันทวนกระแสของน้ําได้อันนั้นน้ําอันนั้นเน่ะมันขนบุได้แล้ว ผู aroma, plain, deadline, mm ้ใดหยู mm ่ไขแม่น้ําใดกระลกเอาไปวางลเบงแม่ให้ว่าจังซี่บันนี้ถ้าคาพระเจ้าจีบัตายจริงๆเิงโน้นท่นบัตายจริงๆริงจอกคาบได้หลือว่าท่านวางขันไปนี่ลงไปให้มันไหลไปตามกระแสของน้าเนื้อท่นวันนี้คาพระเจ้าจีตายจริงๆแล้วว่าท่นลอกคาบมาได้วางขันไปนี้ให้มันทวนกระแสของน้ำเนี่ยวางลงไปบนนู้โอ๊ยน้องต้องไหลไปตามกระแสของน้ําแล้วน้ําำพ่นหมายถึงกีเลศหมายถึงควางคิดฝ่ายต่ําเป็นวาอย่างท่น มันยังทวนได้ว่าแม่ปากเข็ดดอกคนมันตีความหมายเข้าใจลึกเกินไปอย่าไปเข้าใจลึกเกินไปที่นํามาเล่าให้ฟังเนี่ยทวนกระแสะของน้ามหมายถึงทวนกระแสะของความคิดมันคิดขึ้นมาปุ๊บเห็นปับ๊บมันคิดขึ้นมาปุ๊บเห็นปับ๊บมันเลยหยุดความคิดมันหยุดมันนั้นบไ ล, ลไปมันโบทุกสังขารปรุงไปเป็นว่ามันโบมีทุกความลงบบมี เมื่อข่มลงบ่มีนุคมโกตรกับบ่มีข่มโคตรบ่มีข่มโลภบม่มีต้นเหตุของมันคือข่มหลงเป็นเอื้นโมหะภ า, าษาธรรมะโมหะภาษาบ้านเขาเรียกว่าหลงหลงลืมเหมือนันคันลืมแล้วบ่มีโอกาสบ่มีเวลาที่ได้บบได้เห็นควคิดตัวเองคันหลงโอ้ยเมื่อกี้นี่มันหลงคิดเหมือนันแข่เดียน้อยนึงลงกับลืมจี้ว่าหนะักกิดกันแต่ข่มเดียวกันนั้นแหละาเาอาของไปวางไว้ไหม ว่าหลงบอนแล้วเมื่อกี้เนี่ยไปซอกคอง่ายว้ยเอาไปวางว่าใส่โน้ตลืมปิ้งไปบุคือพบแล้วเนี่นานพบบางทีจนตายพูดนะบ่เห็นที่แท้แน่มืนลืมแล้วเนี่คนก็คือกันบางคนจนตายบุกเคยได้เบิ้งผมคิดตัวเองจักเถื่อเนี่ยมันเป็นหนังสัตวที่นํามาเล่าให้ฟังว่าภาษาง่ายง่ายไ่ต้องไปศึกษาเราเรียนพระไตรปิฎกก็ได้ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยพระไตรปิดกก็ว่าเรื่องคนนี่แหละ บนเวทวเลือก อ, อื่นเนอะเกษาโลมานักขาทันตาตาโจไปซะนะเนื้อเนื้อหนังเอ็นกระดูกไปซะนะอันนั้นเป็นคว้าอันลตัวจริงมันน้อยๆค น, ว, นคว่าข่าวนึงเคนว่าพระพุทธเจ้าพาภิกษุเดินไปในป่านไปเมืองไม่หยังพระพุทธเจ้าเห็นใบไม้แห้งล่นลงมาแคมทางจับเอาใบไม้แห้งกำหนึ่งกำ ม, มือนึ่ง ย, ยกขึ้นมาถามภิกษุที่จํานวนเดินกับพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งร้ายกัน ใบไม้ในป่ากับใบไม้แห้งในกำมือของเราตถาคตเนี่ยเมื่อเอาเปรียบเทียบกันแล้วอันใดจะมากน้อยกว่ากันทิกสูจํานวนนั้นก็เลยตอบพระพรเจ้าว่าใบไม้ในป่ามีมากคัดเลือโดยขน้อยจิวาตรในสวารค์แล้วคําตอบหรือพระเจ้าขาจิวัตแล้วก็ได้ใบไม้กำมือพระตถาคต น, น, น้อยที่สุดเพื่อย่างบอกใบว่าคําพูดคํารู้ ที่เราเรียนที่เราประสบการณ์มีมามแต่คุณรู่จะมาสอนพวกท่านนะ่ะในคราวเนี้น้อยเท่ากับใบไม้ในกำมือของเราเนี่ยสอนให้เรามาดูข่มคิดสอนให้เรามาดูข่มคิดน้อยที่สุดย่อเขาน้อยที่สุดคนมาดูข่มคิดแมันครบทั้งหมดเลยเพราะต้นเหตุของข่มทุกเหมันอยู่กับข่มคิดควมลูคข่มคิดแต่มันทุกลู่คิดอันหนึง่งลู่คิดแล้วเข้าไปในข่มคิดอันหนึง่ง อันนึ่งรู้เห็นเข้าใจ่อนตัวออกจากความคิดอันนึงรู้ความคิดถอนออกจากความคิดอันนึงอันนึงรู้ความคิดเข้าไปในะความคิดอันนึงนี่มันเบายาคมันบวมตัวบวมโตเพ่อเอิญ อ, อนัตตาแห่งธรรมเพื่อนพกขังอนิจจังอนัตตาอนัตตาเป็นตัวทุกขันวาแบบเนี่ยขันวะแบบเนื่งเพราะว่านิพพานเป็นอนัตตาแต่ทุกข์คือกันมันทุกข์คนละมุมมันทุกข์คนละแง่คนละมุมต้องรู้จักสมรรรามาุติบัญญัติธรรมะบัญญัติ อัฏบัญญัติอริยบัญญัติให้ผู้จักอันกั น, นถ้าบุคู้จักสันสันได้มันเต็มทีเด้ที่นํามาเราให้ฟังมวันนี้สมควรแล้วนี่นะครับเนมมละกะกุ้กคาดากาสันครับเ น, นมมลตั้งใจฟังครับระยะเวลาที่สั้นนี้ผมจะเล่าเรื่องรวมเป็นอยู่ของศาสนา ให้พวกเราได้ฟังกันกันไปสบายๆเลยคำว่าชาตินานี่เขาเข้าใจกันไม่ค่อยตรงกับความหมายเท่าไหร่แก้วทุกคนก็รู้ว่าชาตนาแปลว่าคำทั้งสอนของทานปรู้คำว่าคำทั้งสอนของท่านปรู้นี่มันต้องมีความหมายอยู่หลายอย่าง ศาสนาจึงมีมากแล้วเป็นตัวศาสนาแย่ๆก็มีศาสนาพราหม์ศาสนาพุทธศาสนาคิดศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์นัคือศาสนาฮินดูตัวศาสนาฮินดูนั่นเขาเรียกว่าพราหมณ์นั้นแยกออกมาบ้าเนี่ยมีจากศาสนาแล้วนะครัมีศาสนาเิธ าศาสนาเทวด า, าศาสนาเลื่องงามย า, า, ามดีศาสนานำไปว่าคําสั่งสอนของท่านปุโรหิตปุโรหิต อ, อันใดก็นําเรื่องอันนั้นมาสอนเป็นพ่อแม่เราสอนเราก็เป็นตัวาศาสนาคือกันาศาสนาไปว่าคําสั่งสอนของท่านปูโรหิตสอนเข้าหูของนี่คนทุกคนต้องมีหูสัตก็มีหู เ่ี้ยวสัตว์นั้นคนจํา ม, มันบูามากบูคือคนคนนี่มีความจำมากสอนและจําได้ดังนั้นศาสนาเปี้ยวคำ ส, สอนเมื่อคําำ ส, งสองสอนคนเขาตัวคนเขาต้องเป็นตัวศาสนาพุทธาศาสนาพุทธะไปี้ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมคาว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมนั้นบูไม่ตัวศาสนา มันเป็นตัวพุทธะต่างหาพุทธะศาสนามันมารวมมาตัวศาสนาค่ายคืยคยคยคอว่าสมถะกรรมาฐานนิพพัฒนากรรมาฐานมันมาลงฐานตัวเดียวกันวันนี้เราต้องวิจัยกันอีกสระเด็นหนึ่งหรือคิดพิจารนาให้มันรู้จักความจริงมันมีมาจากัดคำว่าสมถะกรรมาฐานนิพพัฒนากรรมาฐานนิพพัฒนาแปลว่ารู้แจ้ง ตั้งเก้าล่วงภาวะเดิมเนี่ยมันมามันแยงกันอัจารย์อาารรู้แจ้งต่างเก้าล่วงภาวะเดิมนั้นมันบริเวนสมถะเลยแบบ น, นี้นั้นตัวพุทธศาสนากับตัวศาสนามันเกี่ยวมันต่างกันนะท่าคนใดรู้เรื่องเลือก ง, งามยามดีเขาจะสอนให้ดูเลือกดูงามเนี่ยมันศาสนาคนใดรู้เรื่องไหว้ผีไหว้เท ว, วด า, าสอนให้ไหว้ผีไหว้เท ว, วดาคนใดรู้เรื่องอะไดสอนอันนั้น เนรศาสนาเป็นเพียงคําสอนเท่านั้นแต่สอนให้คนเลิกละจากการทําซัวมาทําดีอันนี้เรียกว่าศาสนาศาสนาสิ่งธรรมเขาว่าส้นงธรรมส้นงธรรมนี่มันมันกัญญาอยู่ที่เราจะมาว่าสิ่งธรรมส้นกับธรรมนี่มันคนละอันกันเส้นอันนี้ก็มีสมมุติอันหนึง่งสิ่งธรรมมันมันมีสมมุติเส้นสมมุติเขาว่าเส้นสังคมธรรม ตัวทำนั่นคือตัวคนเหมือนตัวคนทุกคนน่ะทำทำดีเขาเรียกว่ากุศล น, น่ะทำทำซั่วเขาเรียกว่าอกุศลนระทําดีก็ไม่ทำทําซั่วก็ไม่ทำเพราะคนนี่ไม่ทำตัวคนทุกคนจึงเป็นตัวธทำถ้าทำมะก็เรียกเป็นกุศลทําซั่วเรียกว่าอกุศล น, นี่ยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรื่องศาสนามือจึงให้เข้าใจจริงๆ ถ้าบอกเข้าใจจริงๆแล้วโพูดได้แต่เราไม่รู้จักแต่ก่อนผมเองผู้นึงพ่อเกิดในเมืองไทยแม่เกิดในเมืองไทยตัวเองเกิดมากับเป็นเกิดในเมืองไทยก็แล้เป็นคนไทยนู้บุรู้จักว่าเป็นยังลไงว่าเป็นคนไทยแต่คนไทยแท้ๆเขาบุรู้จักบุรู้จักความเป็นไทยยื่นใส่บุรูษจักมันบุรู้จักเพราะว่ามันปิ่ม่า บ ja, ้านี้เขาเกิดมาพ่อเกิดมาเป็นสาวพุศลแม่เกิดมาก็เป็นสาวพุศลตัวเองเกิดมาก็เป็นสาวพุศลก็เลยบุรู้จักพุทธศาสนาคือเนี่ยบุรุษจักแท้รู้จักตั้งแต่ว่าศาสนาผมศาสนาก็ต้องมีวัดบ้านใดบ่มีวัดว่าบ้านนั้นบ่มีศาสนาเข้าใจกันจริงจริงผมบ้านใดมีวัดกับบ้านนั้นมีศาสนาว่าศาสนาเจริญว่ากันโอ้ความจริงเราบุรู้จัก ศาสนาเจริญเนี่มันหมายถึง จ, จิตใจคนเลิกละจากการสู้มันยังเจริญมันเจริญด้วยวัตถุเส้นเขาสร้างบุตริวิหารสร้างโบสถ์สร้างศาลาการประเรียนออันนั้นมันเป็นเจริญด้วยวัตถุจิตใจคนตกตำ่ำเห็นง่ายๆได้ที่ผมเล่าเนี่ยถ้าหากมีปัญญาเขาเคยทำบุญทำบุญแจกข้าวทำบุญกระถิน บางสกุลผ้าฝ้าเขาทํำไปอย่างนั้นและบัรนี้กันนอกจากนั่งกระทําบุญมหาศ า, ศาสตร์ทาบุญเดือนหกคันทําบุญแล้วก็ต้องฆ่างัวฆ่าค่วยนี่เห็นไหมคับฆ่างัวฆ่าป่วยก็ว่าทําบุญเป็นนี่นะกินเหล้าบ่นเนี่ยอืเอาเหล้ามากินก็เป็นบุญบันเนี่ยเนี่นเราเข้าใจอย่างรับกินเหล้าแลว้วบบแล้วได้บ่นลำวงลำวงกันตีกันฆ่ากันตายเขาก็ว่าทําบุญเป็น อันนั้นมันเป็นเพียงเข้าใจกันเรื่องศาสนาถูกน้อยบุตรุ่งเราถ้าหากกินเนอเป็นบุญนะท่านเขาครับลงลงกันนักตุลาลงกันแล้าเนะ่ะก็เป็นบุญอย่างใหญ่แล้วอยู่กันถ้าค่าสัตว์เป็นบุญนะท่นลงค่าสัตว์ก็เป็นบุญแล้วเขาบอกเข้าใจทําบุญก็ไปเอาตํารวจทหารมารักษาคนสงบัสุขมันบวกสงบเนี่ยเขาก็รู้จักอยู่แล้วอันนั้นมันบมเมนบุญมันเดือดร้อน ดังนั้นเฮาบุญเขาจักเรื่องศาสนากับพุทธศาสนาเนี่ยคันท่าว่าบุญน่ะบุญเขาว่าขมสงบอย่างที่เฮายู่กันสั่นเขาในขณะนี้เนี่ยสงบมันสิเขาว่าบุญบุญไปว่าขมสงบมัมสิคันทำบุญแล้วกินเล้าลําวงฆ่ากันตายเดือดร้อนบุญเป็นบุญบาปอะไปให้เฮาเข้าใจจังสันอย่าสู้ว่าเฮ็ดตามใจชอบแล้วบุญเขาว่าบุญกับบุญไปโบแมน เขาว่าศาสนากับศาสน า, า, า, า, าไปโบแมนว่ากันสันส้นๆเพราะเวลามันน้อยบ้าก็คือโง่นั่นแ่ะบไม่เอื้นไก่โง่แล้วมันปุ๊บบุญผมปฏิบัติธรรมะผมเข้าใจอย่แล้วบุญคือสลดัดแล้วคนสลาดแล้วคนใดมาลอกลวงโบได้แล้วคนลอกลวงได้เขาเอื้นผมโง่เขาตัวเขาลอกเขาหัวเเขาเสื้อไปเนี่ยเขาเอิ้อนคนโง่อันนี้ดังนั้น คนนี่มันลอกกันแน่จะบอกคนโง oh, ่คนสลาดหลอกกูได้จะการปกครองของคนสลาดกับคนโง่มันต่างกันมืนการปกครองคนนั่นเขาจะเจ้าว่าบางคนปกครองคนสลาดมีนปกครองยากกว่าท่นเนี่ยคนเข้าใจไปยังไงปกครองคนโง่ปกครองง่ายว่าท่นเนี่ยผคิดมันต่างกันเนี่ยผมว่าปกครองคนโง่ปกครองยากกว่าท่านผมคิดของผมปกครองคนสลาดปกครองง่ายนมันเบ้ารู้เรื่องกันง่ายได้คนสลาดคนโง่นี่เบ้าหนาญรู้ นานเข้าใจเขาเหล Celine, al, 哈哈哈ือเอิญปู่ทุศน์เหมืนปู่ทุศนไปมันเบ้ายากมันโมเข้าใจมันโง่คนนั้ไปสอบว่าปลุกของคนโง่ปลุกของง่ายมันจริงง่ายยังได้คนโง่ตัวคนโง่บอกตรงสันคนสลัดตัวคนสลัดต้อปลุกของคนสลาดปลุกของง่ายเจี่คนผู้มีปัญญามพาะว่าคนง่ายก็รู้เรื่องกันบอกว่าสิ่งนั้นมันบูดีเนี่ยเเลิกได้สิ่งนั้นมันดีเนี่ยปฏิบัติได้คนโง่เป็นบุหุจักสิ่งนั้นมันยากมันก็ยิ่งดันูุลังไปเนี่คนโง่เป็นบหุจัก เพรน้อคนโง่จริงว่าถูกบาดเจ็บถูกบาดเจ็บตั้งไหนเนเขาจะเห็นกัน ง, า ง, าง่ายย่างไปตามดินถนาลงคูลงคอนี่ยเขาบ่าคนงโง่คนสรรานาลาดด้วยเขาบอกลงคูลงคลองอันนี้เวาคนเห็นให้กันฟังง่ายๆบ้านผมเฮ็ดบุญคนอวดดีตั้งคำว่ากับคนมีดีมาอวดมาตั้งกันเนี่ครับคนอวดดีนั่นมันอวดดีซื้อๆกินเหล้าเมาไปบุนแล้วก็กินเหล้าเมาคูดีจยางนั้นอย่างนี้ เฮ็ดมาเลแค่ควางไปเนี่ยเขาจิตสุกลงเหวบนเนี่ยว่าอยากลงแล้วบนเนี่ยบันนี้เอาเล้าให้กินบนเนี่ยกินเมาเข้าเมาเข้าเนี่ยกูเดียวเนี่ยใครใครเหวเขาดึลงบนเนี่ยเอาซอกดึลงเหวตู้หนูเจ็บแบเน็สมดำหน้ามันคนโง่เขาว่าคนอวดดีอันนั้นกินเล้ามันอวดดีซื้อๆลงเหวแล้วไปเจ็บหนังเขาบนเนี้ยแ่เขาเป็นคนเจ็บผู้เดียวสินเรื่องยังไงยังว่าถึงตายแบบนี้บันนี้คนมีดีแล้วมาอวดบนเนี่ย โอ้ยโบกิมเรา เ, าเาขาว่าจี้บันจี้ลงเหวได้ส่บูรณ์ไปทางจี้ลงเหวบวไปเนี่ยคนบุญมันต้องเป็นไรเรื่องนี้มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งเขาว่าคนบุกเคยเข้าวัดบุกเคยฟังเทศฟังธรรมเขาว่าคนหัวดื้อบรรนีหนักบวชคือแถวเนี่ยพูดหนึ่งบวชนานแล้วก็ซึกออกไปซึกออกไปแล้วกับธรรมดาแล้วซึกออกไปก็ต้องหาผู้หญิงผู้สายเนี่ยกับไปได้อีนางอันนั้นอีนางนั้นเป็นคหัวดื้อ บอกเขาวัดว่าฟังธรรมไม่ยนะังบอกว่าอยากไม่ยนะังวันนี้อาจารย์เนี่ยกับลิกออกไปกับใคได้กับพูดญิงผูนันบอกให้เขาวัดฟังธรรมในบุอยากไปบุอยากไปวัดบุอยากไปฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้ไปก็ไปหาเก็บผักเก็บหญ้าไปหาเก็บลูกไม้ลูกยังไปตามป่านั่นเนี้ยบัด น, น, น, นี้ผู้ขวมันบอกไปป่าจะสุกเข้าไปป่าหกเนื้อท่านบ้านในหกก็ยิ่งดันทุลังไปเนี่ยคนโง่มนเป็นทางกาน วันน ha, sol, ี้ขันเข้าไปป่าหกแลยอะทุไปพายคองหนักเด้อสิคลองหนักๆก็ยิ่งพายเข้าไปเนี่ยมันเป็นอะไรสังขุนโง่มันเป็นอะไรัตวอ้าวอีนางอันนี้มันบอกพวกฝังควมเป็นยังไงน้องฆ่าสเดกู้ทางที่ขแบกอย่นี้บอกให้เขาวัดฝังทำบริจาคไปขันบอกให้เขาไปป่าขันไปเก็บผักเก็บงาเย่าไปบนหกมันจะพิ่มดันทุหลังเข้าไปบนหกขันบอกให้อย่าไปพายคลองหนักนะสมันยิ่งดันทุนลังไปพายคองหนักเป็นอรัตววันนี้คันพายของหนักไปกล้เหยอะ ยิงพายของหนักยิงไปใกล้เหวเนี่ยมันคนพวกของของนามคนโง่เขาเนี่ยว่าคนโง่เขาเอื้นตุ้ทุสนบันเน่ก็ปวกกันคอยปล่อยไปเราเราเคยไปเรารู้จักเนี่ยเราสลาับป็ะปิจาร์ถ่ายของหนักยิงไปใกล้เหวได้หอท่านถ่ายของหนักคนให้ถ่ายของหนักมันข้างโก่งไปเด้่ข้างโกเป็นหนามมันเกาะเอาไปป้าไปงามหนามันเกาะเกาะอันนีงเกาะงามเขาเน่ะเกาะแล้วทางนางทางงามมันหนามติดไต้บันเนี่ย คนก็ดึงไปแบบนี้นามมันหลุดที่สู้แห่งคนบุได้นามมันหลุดมันก็นโยนไปตำคนตกลงเหี่วสายตำอะไรเนี่ยเขาวางเต็มเจว่ามินิทานหลายเรื่องเรื่องมูนี่มันยาวคันเบ้าไปอะ่ะเรื่องผีเข้าคนเข้าเข็มนี่มันยุนิทานเรื่องนี้อันนี้แหละเขาบอกูัจากคนโง่จึงปลุกของหยักหยาดีแต่มันตายนันนะ น, งงน่ะคนโง่คนสลาดปุกของง่ายๆแล้วบ้านเมืองเขาก็คือการถ้าคนงโง่ปลกุกคนโอ้ยเดือดร้อนแท้ คนยญยบ้านกำนันก็คือกันถ the ้าหากไปเลือกเอาคนยายบ้านกำนันโง่ๆเนี่ยพอปกครองคนสลาดมานจะปกครองได้บ่มันต้องเลือกเอาคนสลาดมาปกครองคนโง่ได้อย่าให้คนโง่ไปปกครองตลอดพระทรงองค์เนี่เนาก็คือกานอือย่าให้คนโง่ปกครองเขาเขาต้องฟังคันพูดผิดอย่าทุเอาเอาคนคนพูดผิดพิดผิดอย่าเอาทำผิดอย่าเอาดังนั้นพญสอดในคนสลาดเรื่องศาสนาเนี่ยก็คือการ ศาสนาเป็ว่าคำสอนซื่อๆนี่เลยบางทีสอนให้เขาตายกับพียได้ศาสนานี่ยยาพิษเนี่ยอันนี้เป็นยาพิษในสมัยจักรวรรแล้วเอาน้ำอ้อยน้ำตาลแต่โสรมไว้ของหวานเนี่ยของดีเนะนี่ยมีรส ด, ดีนะขนงโง่ต้องกินกินผลที่สุดเป็นโลหทองลวงสายสัมนี่คนสลาดมันต้องเบื้องเออยานี่สมควรกินด้วยสมควรกินขอจิรู้จักคันเป็นยาพิษโสรมไห้ครับบกกิฉะนั้นเฮากะเพรีย มาบวชเป็นเนนเป็นพระแม่ขาวก็คือกันแม่ดำก็คือกันคนมาปฏิบัติธรรมะต้องรู้จักสลดัดอย่าไปงโง่คนงโง่เนี่ยคนว่าเนเป็นบุตีคนงโง่เพราะเอื้นผลบากรัำว่าตามภาษาสมัยใหม่เขาบอกคนงโง่เขาเอื้อนผูกุศนนเ่ยผูกธุ่ยแบบูดหนาผููแน่นผู้จมดิ่งพูสู้วะจึงว่าเอาฟังกันง่ายๆที่ว่าเมื่อเสารเนี่ยอาจจิจำได้ บางคนบางคนอาทิตย์จำโบได้พระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วมีศาสนาแล้วมีศาสนาพราหมแต่พุทธศาสนาเนี่ยโบมีศาสนาพราหมเขาเรียกว่าศาสนาฮินดูห่ดเมื่อมรรคนในพราหนณ์มันก็มีมาก่อนแล้วแต่บบมีคนหูพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเจ้าสายศรรษษีลศะอุห ม, มานนะเกิดมาโบจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเด้กเป็นคนธรรมดาคือเฮานี่แหละแต่สแสวงคนขันข้วหาของจริง ก็เลยได้รู้ธรรมะก่อนที่จะรู้ธรรมะนั้นเข า, าจำได้ง่ายง่ายถ้าคุณมีปัญญาจําได้รวดเวื่องเดียวคนบูมีปัญญาคนบูมีปัญญาก็จําเป็นแล้วว้ให้ฟังเท่าใดมันก็บูเข้าใจเด้คนมีปัญญาฟังเท่าเดียวเข้าใจโดว่าเจ้าสายทิฏฐะภูมานเนี่ยกินข้าวนางคือธรรดาแล้วเอาขันไปมาทั้งขันเป้าธาตุเป้านั่นไปอธิษฐานกามมันแข่แมนา ถ้าหากข้าพรเจ้าจะได้ตัดสัรู้เป็นพระพุท ธ, จจธเจ้าจริงๆล่ะไอเ่นข้าพรเจ้าวางถาดหาารือวางขันใบนี้ลงไปน้ํานี้ยองผิวน้ํามีไว้ให้น้ํานี้ทวนกระแสน้ของถาดขันอันนี้ให้ขันอันนี้ทวนกระแสน้า ข, ขึ้นไปไปถึงต้นน้ําพุ่งเ่าับ่อนน้ําออกอตรงกันข้ามกันแบบนี้ถ้าหข้าพระเจ้าจิาจบุได้ตัดสรู้จะบุได้เป็นพระพุทธเจ้าล่ะไอเดนวางขันใบนี้ ห, หรือถาดใบานี้ลงไปผิวน้ํานี่ ให้มันลอยไปตามน้านี่ไปน้ําไหลไปใสมัน pues, ไปตามมันนั่นวางคันลงไปวางคันลงไปแล้วม like, ันก็ทวนกระแสของน้าข sure> ึ้นไปว่าไปตึงหัวกะระนาคยิ่งแต่กะรนากนอนยับบูตื้นปานนี้เพิ่นว่าอันนี้พอเราให้ฝังเน้นนี่เต้นอย่างน้อยกะระนาคนอนบูตื้นกับคนโง่แล้วเหีะนอนบูตื้นจากเถื่อว่าให้ฟังแบบบูตื้นจากเทื่อมืนบวเขาใจมันทาดมันคันนี่ย่งจะไปทวนกระแสของน้าใดบ้านผมมานน้ำโขงนําของ เอาขันไปวางไว้เหมือนวางแม่น้ำเนี่มันไหลไปตามกระแสน้ำเรื่อยๆไปไอ้ที่ทวนกระแสของน้ำนั้นโบมีหรอกว่าโบเสื้อแล้วพวกท่านบวดอยู่นี่ไปเว้าก็ได้ท่านอยู่ใกล้แม่น้ามันก็ไปวางลงไปดิงานโยนก็คือกันถ้าข้าพเจ้าทีตายจริงๆนะวัชรบันเนี้ยท่าเหอมันโบได้เป็นพระพุทธเจ้านี่วางขันไปนี้ลงไปให้มันทวนกระแสของน้ำเนื้อวัชรบันนี้จทตายจริงๆเลยได้เลยว่ะให้มันทวนกระแสน้านี่ไปถึงต้นน้ำมันนี่วันนี้กี่โมตายแล้วบนนี้ตรงกันข้าม มัาตายจริงๆจีจ้จจลอกคาบแต่คือต้นเปือยนี่แหละอาจัรนแล้วมันไหลไปตามน้ำอาจารย์เลยรับรองว่าต้องตายจริงๆคนแต่ขัดมันบ่ไสมันอกีไหลไปตามน้ําพุน่นอันนี้แหละคนมันบ่เข้าใจทวนกระแสของน้ําหมายถึงทวนกระแสของความคิดน้ําใจความคิดมันไหลไปแต่ไฟตั้มพลนวาอย่างนั้นตัวสัตว์ประว่าิน้าจริงๆนี่แหละเนี่ยนั่นนั่นแหละเลยเียนตำรายิงเอาหัวังเข้าไปในตำราพุน่น ทะล้าเข้าไปเลยนี่แหละรู้อรู้จํารู้จักเว้ามันบริเวนรู้แจ้งเหมือนบริเวนรู้จริงพอแม่ปุย่าตาใหญ่พยุติสอนไว้ให้รู้จํำสก้อนทําอิฐนั่นละกัรู้จักเหมือนเนื้อการู้แจ้งรู้จริงอันรู้แจ้งรู้จริงน่นเป็นคุณลู้ของเหาอันรู้จํารู้จักนั้นรู้จํามาจากพ่อจากแม่รู้จักมาจากพ่อจากแม่จากครูบาอาจารย์สอนอันนั้นใส่ได้หน่อย ยังเขาเขาเคยเห็นเนี่ยอย่างวัดต้องมีเจ้าหัวไอ้จัวเนี่ยอันนี้แปลว่าเห็นด้วยตาของเขาอันนั้นสมมุติอสมมุติบวช้วก็ศึกเนกบวชแม่ข่าวแม่สีมันอย่เกิดกันนี่ยบวชเนกศึกเนกบวชแปลว่าสมมุติบัญญัติอสมมุติแล้วกบัญญัติขึ้นมาการบวชการศึกนั้นมันมีมาก้อนพระพุทธเจ้าขเขาเคยได้ยินบวเจ้าชายรรสิทธาคคูมาเนี่ยออกไปผ่าบริวารออกไป เบิ่งส่วนดอกไม้ส่วนอาจอุทยานแต่พูแล้วบุได้เห็นนะเนแล้วไปเห็นรูปสมณะโอ้สมณะนี่หา ก, กินง่ายๆเด้บุได้เห็ดให้เห็ดนาเด้นกูจะออกตามเขาคนหน้าไปบวชนำขาเจ้าซือ่อนี่นะ